hmm ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวายะธมาสังขาราอปปมาเทนะสัมปเทถอายังตถาคตัสสะปัจฉิมพุทโวาพุทโววาจาติ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 พนจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยบางคนนะก็อาจจะตายในค่ําคืนนี้หรือบางคนอาจจะตายในขณะที่อาตมากำลังแสดงธรรมอยู่ก็ได้อาตมาเคยไปเทนงานศพที่ทํามาไฟหวานนะเทศไม่ทันจบเลยนะก็มีโยมคนนึงหัวใจวายนะคางานเลยนะทาทั้งที่ตอนนั้นก็เพิ่งพูดว่าคนเรานี่ตายได้ทุกเมื่อนะอย่าไปคิดว่า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 แต่เรามางานสบทั้งทีก็ให้นึกถึงนะว่าชีวิตเราเนี่ยในเมื่อจุดหมายปลายทางคือความตายก็ควรจะตายดีและการตายดีจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเราทำความดีในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่ความดีที่เราทำนะจะทำให้ในเวลาที่เราตายเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานครูเจ้าจัดว่า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 เวลาจะตายบาปมันก็แสดงตัวออกมาเช่นเป็นภาพนิมิตบางคนนะมีภารูปนึ่งนะมาบวชตอนแก่แล้วก็อป่วยหนักใกล้มรณาภาพก็มีพระช่วยกันดูแลช่วยกันบอกทางให้เราลึกถึงพระผู้พิทักษาพระสงค์แต่ว่าภารูปนี้เนี่ยได้แต่ร้องครวญครางด้วยความกลัวด้วยความทุกข์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 คับแค้นใจสมัยที่เป็นพระราชาเป็นจกกักรพรรดินี่ยิ่งใหญ่มากนะแต่พอเวลาจะตายเนี่ยแม้จะขอเงินเพียงเล็กน้อยเนะ่เอาไปทำบุญนะเสนาบาดีก็ไม่ยอมจิตใจเศร้าหมองคับแค้นก็ตายตอนนั้นพอดีนะาอกว่าไปเกิดเป็นอะไรรู้ไหมไปเกิดเป็นงูเหลือมนะพระเจ้ า, าศโศมนี่ทำบุญให้กับพระพุทธศาสนามากนะสาวอาศโศกที่เราเห็นตาม สังเวชเนียสถานที่จริงสังเวชเนยสถานเนี่ยที่เรารู้จักเนี่ยนะก็เพราะพระเจ้าอาโศนี่แหละนะเป็นผู้ที่บุกเบิกเอาไว้แต่เวลาตายเนี่ยจิตเศร้าหมองนะคับแค้นก็เลยไปเกิดในทุกติพบเป็นงูเหลือมนะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราจะตายเนี่ยนะถ้าเรายึดติดถือมั่นอะไรอาวอน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 หรือว่าไม่ทุรนทุรายคนจนวนไม่น้อยเนี่ยแม้จะทำความดีแต่ว่าตอนจะตายก็ทุรนทุรายนะหรือว่ากระสับกระส่ายอันนี้ก็เพราะไม่รู้จักฝ่อยไม่รู้จักวานเหมือนกันนะไม่ต้องพูดถึงคนทำบาปนะคนทำบาปเนี่ยเวลาจะตายเนี่ยมันก็ทุรนทุรายอยู่แล้วเพราะว่าจิตหัวนร ะ, ะลึกนึกถึงบาปที่ได้ทาเกิดกรรมนิมิตฝ่อกุศล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 สงบแล้วเพราะว่าหมดหมดหวงแล้วไอ้เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ายังมีความห่วงหาอะไรเนี่ยมันตายสงบได้ยากนะถึงแม้ว่าจะไม่จะไม่ได้ทําบาปนะจะไม่ผิดศีลแต่ว่าใจที่มีความห่วงหาอะไรบางคนห่วงไม่ได้ห่วงลูกห่วงหลานนะแต่ห่วงอย่างอื่นมีคุณลุงคนหนึ่ ง, งแกเป็นคนที่จิตใจดีมากนะชอบชักชวนคนไปสร้างโบสถ์ไป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 ลุงแกหายกระสับกระสายเลยแสดงว่าแกเป็นห่วงเรื่องสร้างโบสถ์ไอการสร้างบสถ์นี่เป็นของดีนะเป็นบุญกุศลแต่ถ้าจะตายแล้วเนี่ยนะก็ต้องวางนะของดีถ้าไปยึดติดถือมั่นความดีถ้าปล่อยไม่ปล่อยไม่วางนี่มันก็สามารถจะทำให้เกิดความยึตกกงังวลเกิดความทุกข์ได้เวลาใกล้ตายเนี่ย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 ที่ตัวเองเคยฆ่าเคยทำร้ายเนี่ยมันมาหลอกหลอนแกก็เอามือปัดป้องนะแล้วก็ร้องด้วยความกลัวแต่บังเอิญคนที่ดูแลอยู่เนี่ยนะเป็นพระเนี่ยเป็นพระสนนะถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นลูกของพรานคนนี้รู้ว่าพ่อเนี่ยกำลังมีนิมิต ท, ที่จะพาไปอบายก็เลยชวนให้เราลึกนึกถึงพระพุทธศาสนาระสงค์จิตของผู้ตายเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดศรัทธาเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาจิตเป็นกุศลนิมิต ท, ที่เป็นภาพหมาป่าดุร้ายก็กลายเป็นเทพธิดาแล้วก็ตายในขณะนั้นเองก็กลายเป็นว่าได้ไปเกิดในสวัรคร์นะอันนี้เพราะว่าตอนตายเนี่ยนะได้ระลึกนึกถึงพระพุูธประทานประสงค์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยถึงแม่จะอยู่ไกลวัดนะแต่ว่าก็อย่าให้ไกลพรัตนไกลนะ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 ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเป็นกุศลมีความเพียรในการทำความดีรวมทั้งเกิดปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายอีกทั้งขอ้อยบุญกุศลที่เราได้บาเพ็ญในวันนี้จงเป็นพระปัจจัยอํานวยวิปากสมบัติให้กับคุณแม่สุกันอ่อนตาเพื่อจะได้สวยสุขสมบัติในสมัมภารพ ตามควรแก่คติวิสัยทุปการเทิง